รังทมต่ออีกจากที่เราได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงที่แจงเรื่องความเบัิมากมายหลายอย่างเราก็เป็นชีวิตหนึ่งที่มี ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมีกายมีวาจามีใจเพื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกต่อผู้คนกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้เพื่อปฏิบัติต่อสิิงเหล่านั้นให้ถูกต้องก็ทำได้สำเร็จ ถ้ามีการกระทำโดยใส่ใจแม้จะเป็นภายนอกก็ทำได้ยิ่งพีวิตเรามีกายมีวาจายมีใจเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่เป็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่หนึ่งที่สองน่าจะมั่นใจ โดยเฉพาะการปฏิบัติมาก็บอกเท็จบอกจริงที่เกิดกับเรานี่แบอบกความเท็จความจริงความจริงแล้วก็สัมผัสความเท็จที่ไม่จริงก็สัมผัสมันก็ต่างกันอยู่น่าจะเลือกได้กับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา เหี่ยงข่วงหลงมันก็มีค่วงไม่หลงยอมทุกมันก็มีค่วงไม่ทุกอะไรที่มันเป็นทุกเป็นโทษเกิดกับเรานี่ช้ามากที่จะทำได้ว่ากินเล่ามันเกิดโรคมะเร็งในตับแล้วก็เป็นเรื่องของเรานี่ แล้วก็รู้สุบุรีเป็นโลกมะเรลงในปอดแล้วก็เรื่องของเรานี่อะไรต่างๆที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษก่จากการกระทำของเราเราก็เห็นอยู่คนที่เจ็บคนที่ตายก็เป็นเพราะการกระทําควาเจ็บแค่ได้ป่วยเกิดจากการกระทาที่ กับพิริธ ท, ที่ผิดพลาด ท, ที่ไม่ถูกต้องเราก็เห็นกันอยู่แม้มีความทุกข์เราก็เห็นอยู่ความไม่ทุกข์ก็เห็นอยู่น่าจะกระตื่นเรือล้นเราทำในการปฏิบัติมันก็มีอยู่นี่คำสอนเส้นทางงั้นกับตาข่าย ที่มีให้เราปฏิบัติต่อสิ่งต่า ง, างๆในโลกนี้นีกลางคืนเพื่อให้ได้นอนพนักผ่อนนีกลางวันเพื่อทำความดีนีขามีแขนมีกายมีมือมีวัตถุที่ทำให้เกิดทันทำความดีกับชีวิตเรานี่ ให้มีความมั่นใจในการกรททาบ้างอย่าปล่อยทิ้งโดยเพราะวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ตั้งต้นชีวิตที่ได้ชัดเกณฑ์แม่นยำดีเป็นวิชาที่สอนกายสนใจอย่าได้อย่างดีที่สุด วิชาที่สอนกายสอนใจก็อยู่กับตัวเนี่ยตัวแล้วพิชาสอนกายก็อยู่กับกายวิชาสอนจิตใจก็อยู่กับใจวิชาสอนวาจาก็อยู่กับวาจาแต่ความหลงความไม่ควาไม่หลงมาพร้อมกันเอาเดียวกันความทุกข์ก็มาพร้อมกันกับความไม่ทุกข์ความโกรธก็มาพร้อมกับความไม่โกรธ ความผิดความอะไรต่างๆมาพ้อมกันกับความไม่ผิดไม่ปิดบางอภิภรรที่มันเกิดกับเราก็น่าจะมีความมั่นใจทมได้น่าจะขยันนี่คือลักปฏิบัติเนี่ยเราก็มีชีวิตเพื่อกานนี้ งานเพื่อกาลนี้จับงานจับการจับเป็นทุนละทําในเรื่องนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับกายกับใจมันก็แบ็งกอเป็นกรรมขึ้นมาไม่ผลขึ้นมาเราทำกับกายกับใจก็เป็นประโยชน์ต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นไม่ใช่เป็นส่วนตัวเลย เดี๋วนี้น้ำท่วมกรุงเทพท่วมภาคใต้เรานั่งอยู่ที่นี่เราก็สามารถที่จะทำจิตกับจิงเรานี่ได้โดยเรามีกายมีวาจาไม่จิตใจทำอย่างไรจะให้ให้น้ำมันท่วมทุกคนลงมาทำดู น้ำที่มันท่วมมันเกิดจากการลอยเกิดจาคนเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่ทำให้น้ำมทัท่วมทีนี้ก็ว่าฝนตกมากที่ยิงไม่มากถ้าดูใกล้ๆตัวเรานี่ ในบริเวณที่นี่มีห้าร้อย5 0่ห้าอยไเนี่ยฝนตกก็ไหลลงสู่สะสะยังไม่เต็มยังไม่มีน้มเต็มแต่ที่อื่นนอกจากลั่กำแพงวัดไปเป็นไร่เป็นที่โล่ง น้ำไห ล, หลผ่านขอบรั่วมากที่สุดม า, มาจากไหนมาจากเม็ดผลต่อมามันไหลามากไม่มีที่ซุมซับแผ่นดินตายถูกทําลายโดยวิธีการเกษตร แผ่นใหม่กำมุกโซนสปาข่ายาดินไม่ดูดซึมฝนตกเม็ดหนึ่งสองเม็ดก็ไหลก็หลเกิดน้ำไหลหลากมากมายที่นี่ไม่เห็นน้ำไหลมันมีป่าไม่ลากไมากชึ่มก็สังเกตได้อย่างนี้เหมือนกับเราช่วย ไม่ห้น า, นามท่วมแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติต่อภายนอกเมื่อภายในบัญฑีแล้วคนที่โกดให้เราเห็นก็มีอยู่เรานี่จะเป็นเข่นเขาหรือไม่เราก็สามารถที่จะป้องกันได้คนที่มีทุกข์ให้เราเห็นก็ไม่อยู่คนที่เกยที่เก็บขี้ตายให้เห็นก็ไม่อยู่ ในตัวเรานี้จะเป็นอย่างไรน่าจะไม่ประมาทเนี่ยเราก็มีผู้กเกี่ยวข้องมีพ่อมีแม่มางทีก็มีบทปัญญามีมีเพื่อนมีมิตรที่อยู่ด้วยกันอะไรที่มันเกิดความดีต่อกันก็น่าจะไม่ปล่อยกันทิ้งก็ดูแลกันได้ ไม่สุดร้อยสลายรู้จ ก, กัอเพื่อเผื่อแปรช่วยเหลือกันเห็นกันปิดเห็นกันถูกก็บอกกันทำให้การดูบ้างอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังบ้างให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เอยได้ดำเรื่องผัวเมียคู่หนึ่งผัวเมผูวเป็น สามีเป็นคนมาปึกปฏิบัติปัญญาไม่มาปฏิบัติเวลานอนปัญญาก็คิดถึงลกูกที่ไปเรียนไปศึกษานอไม่ค่อยหลับสามีก็รู้จักปฏิบัติการนอนก็หลับก็บอกกันปลูกกันมาคิดถึงโลกบ้าง มือแต่นอนนอนก็หลับไม่คิดถึงลูกว่างหรือก็สอนกันในห้องนอนทอย่างไรฉันที่จะนอนหลับก็บอกให้พิกมือคข้อมือแล้วมันคิดไปถึงลูกที่อยู่กรุงเทพก็กลับมาที่มือนี้ให้รู้สึกตัวนี้แลมันคิดไปถึงลูกที่อยู่เชียงใหม่ก็กลับมาให้รู้สึกตัวนี้ ก็บอกกันอย่างนี้ก็หัดทำก็ทำได้อย่างนี้ไม่ควรจะปล่อยกันทิ้งญาพี่น้องลูกหลานขี่ด้วยกันโกรธให้เราเห็นหลงให้เราเห็นทุกข์ให้เราเห็นทำลายวัตถุต้องให้เราเห็นเราก็จะปล่อยกันทิ้งบอกการสอนการให้เมตังใจ นอกจากผู้ประกคนเราจึงอื่นวัตถุอื่นในแผ่นดินนี้มีอะไรที่เราจะช่วยเหลือมีต้นไม้มีอะไรเราจะเอื้อมมือไปช่วยบ้างด้วยมือด้วยน้ำใจเยอะแยะไปเลยสิ่งที่งานที่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่ง ในเรื่องส่วนตัวนี่ยิ่งมั่นใจกับกายกับวาจากับใจในความหลงก็ทำกับมันแล้วมันจะมีขีดข้องก็ไม่ให้เป็นหลงไม่ปล่อยทิ้งในความทุกข์ก็ทำกับมันแล้วมันจะมีทุกข์ทุกข์ลอยจะไม่ให้เป็นทุกข์ นั้นทำได้เหตุที่ทําให้เกิดเป็นทุกข์ก็รู้มันแล้วได้ทำกับมันแล้วได้รู้แจ้งแล้วไม่สงสัยความโกรธกับความไม่โกรธไม่ต้องมาที่บ้านให้ฟังรู้ยิ่งกว่าอย่างอื่นรู้ทิงที่ทําให้เกิดทุกข์รู้ถิงที่เป็นทุกข์ ดูมักที่สุดเช็ดเกลนแม่นยำไม่หลงเหลือสงสยัยไม่ล่าช้ารีบตวงโอยางอื่นผิธิที่จะทำเรื่องนี้แล้วก็ทำได้ไม่มีพลาดโดยหลักการปฏิบัติต <c oughs> ้อก็แเล้วจริงจริง จิตที่มันแล้วก็แล้วจริงๆผ่านไปจริงหลุดไปจริงๆเมื่อจิตเรานี้หลุดไปก็เป็นอย่างไรชีวิตเป็นเช่นลายผู้ปฏิบัติก็ย่อมรู้เองเห็นเองเออเราที่มานั่งอยู่นี้บางคนก็ทิ้งลูกทิ้งเมียมาเออเราก็ทิ้งลูกทิ้งเมียมาเหมือนกันอ้า เราจะเป็นพ่อคนคนเดียวเท่านี้จะไม่เป็นพ่อใครอีกเราจเป็นผัวคนคนเดียวตอนนี้จะไม่เป็นผัวใครอี <c oughs> อันนี้นะแต่ไม่ยอมเป็นผัวของใครอีกเราทิ้งมาแล้วขอมีเมียคนเดียวเท่านี้จะขอเป็นพี่เป็นน้องกับทุกคนให้สงกว่านต์เราทิ้งลูกทิ้งเมียมาจะทำความดีกับทุกคนยิ่งกว่าเป็นผัวเป็นเมียกันอีก เราจะทําดีทุกสิ่งทุกอย่างให้มันคุ้มค่าที่ทิ้งลูกทิ้งเมียมาและที่เห็นความดีให้มีโอกาสมากกว่ามีลูกปีเมียมันก็มีได้แล้วก็เลยเลือกคิวแ บ, บนี้นะเอออยู่กับลูกก็เป็นของลูกคนเดียวอยู่กับเมียก็เป็นของเมียคนเดียววันนี้เราเป็นคนของลูก ทำได้มากที่สุดแต่เป็นคมลักกลักทุกคนแต่ของก็ลักแต่ลูกแต่เมียแบบ น, นี้ลักทุกคนสมอภาคลักก็จะช่วยเหลือไม่ช่วยเฉพาะลูกเมียเท่านั้นจะช่วยทุกชีวิตในโลกนี้เคยทำลายให้ใครลำบากเคยจับสัตว์ จะปูจะป่าเคยเ ต, ตอต้นไม้ก็กเูืเฉ็ดหลาบมากขอใช่นี่จะไม่ทำอีกมีจีวันกีเดือนจีปีจะไม่ทำชั่วเแล้วหากมีชีวิตไปก็เลือกได้แล้วขอเป็นละปวดขอปฏิบัติธรรม เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนบาปมาเป็นผอมไม่เป็นบาปมาเท่าไหร่จะเปลี่ยนเวลาเกี่เวลานาทีกินนาทีจะทำความดีจะปฏิบัติธรรมตามที่พระเจ้าสอนไม่จนเลยทีเดียวมันเวลามีให้หล่ใช่าย ตื่นขึ้นมาก็คิดจะมาทำวัดไต่พบได้เห็นเพื่อนมีดได้ว่าอารหังชมมาสอมโพโตธะกาวาได้กอบได้นั่งปรมมือได้หอมกีโวลเหตุเพื่อนเป็นทัศนะเป็นความเห็นที่มันมันเป็นงานเป็นการเป็นความดี เกิดชาติใดพวกใดจะขอปฏิบัติแบบดีไม่เป็นศัตรูกับใครไม่เป็นภัยต่อใครไม่บียดเบียนใครนี่แต่มดดำมดแดงก็ไม่เบียดเบียนเราอยู่แผ่นดินนี้อยู่ที่ไหนก็จะทำอย่างนี้มันอยู่กับเราแต่โขนต่ำบทอะไรก็จะทำอย่างนี้ จะเป็นไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นศัตรูกับใครไม่ทาบาปทํากรรมไม่เคยเย ด, ดือดร้อนทําได้มันเป็นเรื่องของกายของวาจาของใจเรานีเพื่อให้ทําความดีไม่ทำข่วมชั่วเด็ดขาดในวาจาก็จะบอกความเท็จความจริงในกาก็ทําความดีอ๋อเสีงข้าวมือหลอถ้วย แล้วก็ยังเป็นอยู่ยวขกองกันและกานอยู่เพึ่งว่าใสากันอยู่เราชิมข้าวของญาติของโยมเท่าไหร่เราก็จริงวัฒนาตัวเองเท่านั้นไม่ประมาทนี่พวกเราที่อยู่ด้วยกันอะไรที่จะทำให้เราเดือดร้อนจะไม่เกิดกับตัวเราเลย อะไรที่ทำให้เราสะดวกจะพยายามทำจุดถ่วงวมสามารถโดยเฉพาะวิชากรรมฐานนี่เป็นวิชาที่ที่หลีกไม่ได้เด็ดขาดทุกชีวิตให้มีที่ทต้องแห่งการกรรทมไม่กเอยมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดความรู้ขึ้นปอป่า วิวาจาก็สื่อสารให้ความรู้ให้เป็นประโยชน์มีจิตใจก็คิดที่จะทำความดีให้มันมีคิดแล้วต้องทำต้องพูดไปพร้อมๆกันเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ให้ทำความดีได้ห้ามือห้านิ้วสิบนิ้ว เป็นวัตถุอุปกรณ์ทำความดีเราจึงถือว่าเป็นมนุษย์สมบัติจริงๆในชีวิตตัวนี้ไม่ได้วุ่นวายกระเพาะเรื่องนี้เท่านั้น มีกายก็เอากายมาทําดีมีวิจารวาจาม า, าพูดดีมีใจเข้าใจมาคิดดีแล้วก็มีการกระทํามทางใจมีการกระทําทางวิจารมีการกระทํามทางกายนี่เราก็สิ่งที่จะสนับสนุนเรามากเลยหลายอย่างคนพ่อคณแม่ญาติพี่น้อง แผ่นดินอากาศอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่ช่วยเราอยู่เรายิ่งเป็นหนี้บนคนจะไม่ท้อถอยในการทำความดีขอบคุณอาหารขอบคุณอากาศขอบคุณแผ่นดินแผ่นฟ้าขอบคุณยอดโจยมขอบคุณที่อยู่ายสาย ขอคุณแม่กระทั่งดินน้ำลมไฟที่มีอยู่กับเราเรียกว่าธาตุขันยังเดินได้ยังพูดได้มีดินมีน้ำมีลมมีไฟสม่าเสมอไม่เพี้ยนและเกิดพยายามที่จะทำอะไรเกี่ยวกับน้ำกับดินกับลมกับไฟนี้ให้มันอยู่ในความเหมาะสมจุดสุดความสามารถ หมอบอกอให้ปฏิบัติอย่างไรควีคามรู้แต่มุนหมอบอกให้ลดอาหารใหญ่วนเกินไปเออชิ้นอิ่มทุกวันไม่รู้ชิ้นอิ่มทุกวันไม่รู้จะต้องถ้าอิ่มก็มาหยุดถ้าเป็นแบบนี้นก็แต่ควบคุมได้อยู่นี่ เก่กับดินกับน้ำกับลวงกับฝอยที่มัอนอยู่กับเรานี่เหมือนรถ4ีล้อรถ4ีล้อก็ ค, อคือดินน้ำลงวงฝายในพวงมลยมีเบรกในเครื่องยนต์จะบำลุงให้พอดีพอดีถึงเวลาหยุดก็จะหยุด ลาไปก็จะไปถ้าเป็นขันให้เราได้ใช้ตาขันที่มีอยู่ให้เราได้ใช้มือห้านิ้วสิบนิ้วได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ตายไปแล้วจะเป็นมือห้านิ้วแทนพ่อแทนแม่มือสิบนิ้วแทนพ่อแทนแม่ขาเขียน ร่างกายจิตใจจะแทนพ่อแทนแม่จะทํำความดีแทนพ่อแทนแม่พ่วยชีวิตที่บังเกิดมาวจนสุดความสามารถทำช่วไม่ได้สงสารพ่อแม่ผู้ช่วไม่ได้สงสารพ่อแม่คิดชั่วไม่ได้คิดสงสารพ่อแม่ในก็คือเสื่มสนุนเหล่ายิ่งที่สุดเลย อพ่อแม่พาให้เราดีพาให้เรามีชีวิตที่หวานเพื่อทำความดีขัวย์นเพื่อนมิตร่าโยมใส่บาดมันจะทำชั่วได้ยังไงแม่ชีเห็น่าเห็นโยมเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าพระน่มนมอิมละชีวิตมาบวดเตี้งลกูกเตี้เมียมาบวดก็ไม่ ยิ่งสามสนุนอ๋อมันมีความหลงความกดยิ่งเหยียบย่อมมันให้มันสูงขึ้นไปมีเท่าไหร่ก็จะจะมาใหเป็นเรื่องสูงสามสนุนให้เราบรรสูงไกลมันไปมีเท่าไหร่นะบอกมาเถอะอันความชั่วที่อยู่ในกายในใจนี่ฮะเหลือเกินมันไม่เจอมีเท่าไหร่จะให้มันเป็นความดีหมด แล้วก็ทำได้ทุกอย่างเจงที่เป็นบาปกุศลทำให้เป็นกุศลอนทุกเรื่องในความโง่ใช้มีความฉลาดในความทุกข์อยให้มีความไม่ทุกข์เด็ดขาดเรื่องนี้เด็ดขาดกับเรื่องอื่นเรื่องอื่นไม่ค่อยเด็ดขาดมันอาศัยเหตุปัจจยัย แต่เรื่องส่วนตัวเด็ดขาดขอปฏิบัติโต้ตอบทักท้วงสิ่งที่ไม่ดีมีเท่าไหร่บางทีผมก็แล้วไปจบไป จ, จบไปจริงๆจบไปจริงเพื่อมาจบแล้วกเพื่อก่อนอื่นเราจึงมีเรื่องเดียวเท่านี้ อย่าไปคิดแคบๆนักปฏิบัติเอาแต่ความคิดเอาแต่อารมณ์มองกลวงๆยิ่งเรามาปฏิบัติเห็นรูปเห็นนามก็โทรมันหยุดไม่ได้เห็นกายเห็นใจนี่มันจนครับแคบก็เห็นรูปเห็นนามมกลวงใหญ่ไพศาลแตกฉาน มันบอกความเท็จความจริงแต่ก่อนทุกความทุกเป็นทุกความสุขเป็นสุขพอเห็นรูปเป็นนามมันไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกเป็นปาการปิดาการที่มาเกิดขึ้นกับรูปกับนามมาใช่กายไม่ใช่ใจไม่ใช่ตัวใช่ตนมันจะหลงได้อย่างไร ต่ไปตูโอสิ่งที่ไม่ใช่ตัวช่ตรนมาเป็นตัวเป็นตนตได้อย่างไรเห็นความหิวไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นอาการที่เกิดกับรูปใ น, นธรรมดาธรรมชาติที่มันเกิดว่าเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นไม่ต้องเรียกวันว่าสุขว่าทุกข์ต่เรียกมันว่าอาการให้ค่ามันน้อย ว่าที่เห็นเนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่ที่เห็นแล้วไม่ได้เป็นไปกับมานเนี่ยแล้วก็ยิ่งใหญ่สูงสุดเห็นไม่เป็นในสูงสุดเป็นความสูงสุดเป็นมงกุฎมงกุฎแห่งทรรที่สุดแห่ง ชีวิตก็ว่าได้จบที่นี่ง่ายๆอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจเห็นไม่เป็นแต่ก่อนเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะมันในพูดในใจดังก้องตัวนี้ไปอันความสุขความทุกข์ ที่เกิดกบคกายกิดใจจะามาจะ ไ, ไม่เอามาเป็นสุขเป็นทุกข์อีกจะไม่เอาเรื่องของกายของใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เป็นกับมันทุกอย่างไม่จะเห็นมันก็เรื่องเดียวเท่านั้นได้บทเรียนจากกายจากใจมาเป็นรูปเป็นนาม แ, แกะแยงออกเป็นสมมุติเป็นมันหยดเป็นวัตถุอาการต่างๆเป็นปรมาตรา์สัจจะในความเท็จมีความไม่ในความจริงในความไม่จริงมีจริงในความไม่จริงเกิดความไม่เที่ยงไมจริงแบบไม่เที่ยงมันไม่จริงแบบมันเที่ยง ในความทุกข์มันจริงแบบมันทุกข์มันไม่จริงแบบไม่ทุกข์เห็นอย่างนี้ความไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงได้อย่างไรมันทิ้งง่ายทิ้งง่ายที่สุดความทุกข์ใจเป็นสุขได้งไงทิ้งง่ายที่สุดบางทีเราความไม่เที่ยงมจเป็นทุกข์ตู่โอทุกข์เพราะความไม่เที่ยง ความพากพจากของเล่กของชอบใจปรารถนาเฉีงใดไม่ได้เึงนั่นก็ไม่สบายกายก็ไม่สบายใจความครับแค่นใจเป็นทุกข์โอ้แค่นั่นเหรอชีวิตนี่มันเห็นไม่เป็นทุกข์ลูกไม่เป็นทุกข์เวทนาไม่เป็นทุกข์ ก็อนมันมาโจนเหลือเกินทุกเป็นทุกตอนนี้ทุกไม่เป็นทุกแล้วทุกใจมันไม่สุขได้ไงก็บอกทุกไลยมันทิ้งง่ายที่สุดมีเท่าไหร่เนี่ทิ้งง่ายกว่าอย่างเอนสุขใจเป็นสุขได้ไงถ้ามีสุขมีทุกข์ก็มีคู่เป็นคู่กันอยู่แล้วก็มีแก่มีเจ่ไ ม, มีตายเนื้อมันซะเห็นมันซะไม่เป็นกับมันเล แล้เมื่อเราสัมผัสกับการปฏิบัติของเทศของกิงเช่นนี้ได้บทเรียนได้ประจบการณ์ได้ลดพระทร ม, มาจงได้บทเรียนจากกาจากใจมาเป็นรูปเป็นนามมาเป็นวัตถุอาการมาเป็นสมมติเป็นบัญญัต ความหลงเป็นสมมติความโกรธเป็นสมมุติบัญญัติความพอใจความไม่พอใจเป็นสมมติปัญญัติไม่ใช่ปรมตาจัจะความหลงเป็นสมมติความไม่หลงเป็นปรมาจักรนันไม่จริงความหลงความไม่หลงมันจริงความทุกข์มันเป็นสมมุติมันไม่จริงความไม่ทุกข์มันเป็นปรมาจักรมันจริงกว่า อย่าไปงูทำใหม่กับจริงอย่างนี้เสียเปียกความทุกข์เสียเปียกความโกรธตอนเท่าที่ไม่จริงเลยทำตามความทุกข์ทำตามความโกรธทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนผลของความโกรธผลความทุกข์มีประโยชน์อะไรมันเป็นสมมุติเฉยๆหลอกให้เราเสียเปรียบกัน ล้มไม่หลงความหมาทุกข์ความโกรธเป็นประโยชน์เพื่อกูลกาอะไรเกิดขึ้นมาเมื่อมีความหมาทุกข์หมาโกรธบอให้เป็นความเมตตากราสงสารขึ้หนหมาแทนเมื่อมีเมตตากราก็ช่วยกันตัดทีไม่ได้ทิ้งกันเห็นคนหนึ่งโกรธก็ช่วยกันแต่คนคนหนึ่งโกรธคนนก็โกรธตามความโกรธ คนโกรธก่อนคนโกรธที่หลังก็มีคนโกรธทีหลั ง, งโง่โง่กว่าคนโกรธก่อนนั่นถ้าที่ของไม่ดีแค่นี้หรือชีวิตหรอเปาะบางเมื่อเรามีกรรมฐานเราจะเห็นแจ้งนะเห็นแจ้งเป็นไปไม่ได้ไม่แต่ช่วยเหลือกัน ได้บเรียนจากสิ่งนี้ได้เห็นแจ้งที่สุดเห็นอย่างนี้เรวาวิปัสสนาเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติล่วงพ้นภาวะเก่าลวงพ้นภาวะเก่าความหลงมันมีความไม่หลงล่วงพ้นไหมในความทุกข์ในความไม่ทุกข์ในความโกรธ ใ, ในความไม่โกรธ ตนชมนิชานานในความแก่มีความไม่แก่ในความเจ็บมีความไม่เจ็บในความตายมีความไม่ตายไม่ได้เจ็บผู้ความเจ็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บนี่เห็นมันแก่ไม่เป็นผู้แก่อย่างนี้เห็นมันตายไม่ได้เป็นผู้ตายอย่างนี้ความเห็นภาวะที่เห็นเนี่ยน อ, อยที่ไหน มันอยู่ที่ไหนขอว่าที่เห็นเนี่ยเหมือนมือเราล้างสาดแล้วมืออยู่ที่ไหนฟันกินข้าแล้วแปรงสาดแล้วมันอยู่ที่ไหนความบริสุทธิ์มันก็อยู่ที่นั่นนอยู่ที่ความสกปรกความสกปรกมันอยู่ที่ความสะอาดเปรียบเทียบกันความสกปรกกิเนเข้าวปากงปกงสกปรก เมื่อแปลงพันเลาความโฉกออกไปความสะอาดก็อยู่ในความอยู่ที่เหนือความโกโปกนั้นมือที่โกโปกล่างออกมันก็มือก็เกิดเป็นความสะอาดตาบอดที่เห็นมันเป็นความสะอาดหมดจดหรือมันแก่เห็นมันเจ็บเห็นมันตายมันยากหรือเรื่องเนี้ยมื่อทำความเห็นให้ถูกต้อง เดนมองคลไม่ต้องปฏิบัติกันเลยๆก็ได้ถ้าทําได้นถ้ามันหลงไม่เห็นเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงถ้ามันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์นี่แหละตัวปฏิบัติกอที่จะเห็นมันทุกข์มันมีอะไรมีสติสติก็มีเลยใช่เลยประกอบ ความเพียรกรรมฐานในกรรมฐานในทุกม่ความไว้ทุกขนะ์ในกรรมฐานแล้วถ้ามาสร้างจับไม่แต่รูปแบบเฉยไม่ไปเปลี่ยนตัว น, นั่นก็ไม่ใช่กรรมฐานที่มันมีพลังเพื่อไปเปลี่ยนลายเป็นดีในหลงไม่หลงในทุกในทุกในโกรธไม่โกรธนั่นแะเป็น ตัวกรรมฐานแน่ๆที่สุดในหลงไม่หลงในทุกไม่ทุกถ้ามันมีถ้าไม่มีอะไรก็ลู่เฉยๆไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรกับอะไงเป็นชีวิตที่มาตรฐานไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นชีวิตที่มาตรฐาน มาานของชีวิตไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เสื่อมไม่มีวิธีใดแล้วชีวิตเราเนฝึกกรรมฐานกันะตึกหัดมาอยู่ด้วยกานเพื่อกานนี้ เราทำอย่างนี้ก็เพื่อคนอื่นช่วยเหลือนองท่วมปีนี้วันที่หนึ่งจะมีธรรมญาตาิตต้องมีธรรมยาตาิตไปเรื่อยๆที่นี่เป็นขั้งที่สิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดเท่าไหร่สิบสิบสองปีที่สิบสองแล้ว เราทาอย่างเกินมามากเกี่ยวกับจสิงแวนลมเรื่องน้ำท่วมเรื่องแผ่นดินนี่นอกว่าสามสิบปีแตนงานคิดจุดท้ายคือรรมยญาตาิตอ่อทังานเกินมามากแล้วต้องไม่ทำญาตาอีกเราก็อยู่ในพื้นที่นี้ร่นมน้ำลำากเทา มีสวนทานําไมน้มท่วมไปตกลงทะเลทะเลหนลูแต่มันดีหน่อยน้มที่นี่ภาคอีสานมันไหลลงทะเลทางกีนไปลงมาน้า ม, มูลมาน้ามชีน้า ม, มูลแล้วก็ลงทะเลไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปเจ้าพยา ตาลงเจ้าพัญาลาเสร็จเลยกรุงเทพเป็นทะเลไปแล้ว เ, เรามาอยู่ที่นี่จะเกิดไม่ทันแผ่นดินนี่ถ้าเกิดทันแถวภาคกลางอาจจะยังมีป่าอย <c oughs> <c oughs> ู่นี่นม่มีป่าแต่อยู่ที่นี่งา น, นลาก็ไม่ได้ ธรรมาตาเฉย้วธรรมาก่อนแล้วนะเราจึงแสดงในปีนีเ้เคยแต่งสรพันแข่งขันเรื่องธรรมชาติล่องได้นะจะให้ล่องสรพันให้ฟังไหมเ <c oughs> ออ น้ำท่วมใหญ่ใครรับกรรมไม่มีก่อนที่เขียนจะเย็บเลยตามป้ายถูกปืนยิงล่วงหมดเลยใช่ไหก่อนยา ก, ก่การทำเขียนตัวลูกหลานยา ก, ก่อการตัดไม้ทันไหวป่าน้ำทันแห้งแล้งผลผลตามมาว่ายุ่กล้าน้าท่วมใหญ่ใครรับกรรมมีมาแล้วสามสิปีเขียนติดทั่วไป อนนันก็เราไม่ใช่ไม่แค่ความผิดของเราน้ำท่วมเป็ความผิดคนอื่นเราก็ลำบากอ่าออันนี้ก็พูดไปสมควรเจ้าเวลากาบภาพพร้อมกัน